ตอนที่35มสาเต็มใจมาทํา ง, งานไหมหลังจากมีการประชาสัมพันธ์ในเขตบ้านพักพนักงานเมื่อวันก่อนในวันที่สองจำนวนคนที่มาซื้อโรเจียมหมูก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้แต่เหล่าจูจากโรงอาหารก็ยังมาร่วมมุ่งด้วยมิน่าแหละทุกคนถึงได้แห่มาซื้อโรเจียมหมูที่นี่รสชาติดีจริงๆห้าห้าขออภัยด้วยนะจ้าอาจารย์จูพวกเราก็แค่อยากจะตอบแทนที่น้องในโรงงานทอผ้าของเรานะจ๊ะซูมานอินเอ๋ยคําพูดตามมารยาท อย่างนี้หมายจะพวกเราขอรับรองว่าตอนเย็นจะไม่ตั้งแผงขายดีไหมจ๊ะชิ้นเสี้ยวเยเวที่อยู่ข้างๆแอบกลั้นหัวเราะที่ไม่ตั้งแผงขายน่าไม่ใช่ว่าไม่อยากขายหรอกนะแต่มันขายไม่ได้ต่างหากกว่าจะตุนเนื้อทําแผนแป้งเสร็จก็ต้องใช้เวลานานโขจะให้ตั้งแผงตอนเย็นด้วยนะเหรอเตรียมของไม่ทันหรอกจ้ะเหตุผลนี้ในฐานะพ่อครัวอย่างเหล่าจูมีหรือจะไม่เข้าใจแต่คําพูดนี้ฟังแล้วมันช่างรื่นหูนักไม่เป็นไรหรอกคนโรงงานเดียวกันทั้งนั้นต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันสิ ก่อนหน้านี้เขาก็เคยบ่นอยู่บ้างแต่ภายหลังเขาก็คิดได้ช่วงมื้อเที่ยงเดิมทีคนก็ห่อข้าวมาทานกันเยอะอยู่แล้วสู้ทำอาหารมื้อเที่ยงให้น้อยลงหน่อยตัวเขาเองจะได้สบายขึ้นด้วยที่สำคัญที่สุดคือเพราะคำแนะนำของซูมานอินทำให้เขาได้รับสวัสดิการที่โรงงานแบ่งให้เพิ่มขึ้นด้วยทั้งที่นางสามารถผลิตปลอกแขนผ้ากันเปื้อนและของเล่นเหล่านั้นได้ได้วยตัวเองแต่นางกลับไม่ปิดบังความรู้และมอบไอเดียดีๆให้กับโรงงาน เมื่อเทียบกับจิตสํานึกของนางแล้วตัวเขาคงเหมือนกับการตีลังกาของสุนหงคงที่ยังห่างชั้นกันถึงสิบแปดลีเลยทีเดียวกิจการรุ่งเรืองมากส่งผลให้ทางด้านจางชุยฮวาก็ยุ่งจนตัวเป็นเกลียวตามไปด้วยโชคดีที่วันนี้จางเซาเจ๋่อลูกชายของนางตามมาช่วยด้วยแม่ครับผมทําเองจางเซาเจ๋อเห็นมารดาเหนื่อยจนมือสัน่นจึงรีบแย่งประบวยตักน้ำมาผมตักน้ำเต้าหู้เองไม่คอยเก็บเงินเธอะครับจางชุยฮวาตอบรับอืมและสลับตําแหน่งกับลูกชาย จางเซาเจียเป็นเด็กปากหวานและมีมารยาทมากเขาเรียกทุกคนว่าคุณลุงคุณป้าพี่ชายพี่สาวอย่างคล่องปากพร้อมกับคอยเตือนอยู่เสมอว่าน้ำเต้าหู้ร้อนให้ถืออย่างระมัดระวังประกอบกับเขาเป็นเด็กหน้าตามหมดจดจึงเป็นที่เอ็นดูของเหล่าคนงานอย่างมากที่สภัยจางที่สอนลูกยังไงเนี่ยถึงได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้เด็กคนนี้ดูปราดเดียวก็รู้ว่าอนาคตไกลแน่เมื่อได้ยินคนชมลูกชายของตนป้าจางก็เก็บรอยยิ้มไว้ไม่อยู่ ซูมานอินมองจางเศร้าเจี๋ยแล้วก็พันนึกถึงโจเว่กัวขึ้นมาเด็กทั้งสองคนอายุเล่เลี่ยกกันแต่ในเรื่องของคุณธรรมและความประพฤตินั้นกลับแตกต่างกันราฟ้ากับเหวในขณะที่กำลังเหม่อลอยอยู่นั้นจูจ่ๆนางก็ได้ยินฉินเสียวเ ย, ยวตะโกนเรียกแม่เล็กผู้อำนวยการโรงงานหยางมาค่ะซูมานอินหันไปมองเห็นผู้อำนวยการโรงงานหยางกำลังเดินตรงมาหานางด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและท่าทางรีบร้อน สหายซูมานอินเมื่อครูผู้อำนวยการเจ้าจากสำนักงานเขตโทรศัพท์มาบอกว่าโรงเผาศพของอำเภอไห่เฉิงสร้างเสร็จแล้วในช่วงบ่ายซูมานอินชินเสี่ยวเย่เว่พร้อมด้วยโจวเวยหมินและภรรยาได้เดินทางมายัางสำนักงานเขตด้วยกันผู้อำนวยการโรงงานหยางและฟางเชียงก็เดินทางมาด้วยเช่นกันสหายซูครั้งก่อนข้าเสียมารยาไปหน่อยที่ลืมถามที่อยู่ของพวกท่านจึงทำได้เพียงโทรศัพท์ไปหาผู้อำนวยการโรงงานหยางแทนเจ้าเฉียนเอ๋อยอย่างทราบซึ้ง ขาเพิ่งจะรู้ว่าท่านถึงกับยอมสละตำแหน่งงานที่โรงงานมอบให้เพื่อเลือกที่จะพึ่งพาตนเองสหายเสี่ยวซูจิตสำนึกของท่านนี้ช่างน่าเลื่อมใสนักผู้อำนวยการเจ้าค้าชั้นไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นหรอกค่เพียงแต่รู้สึกว่าตัวเองคงไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรใหญ่โตให้กับโรงงานทอผ้าจึงเลือกที่จะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะสหายซูถ่อมตัวเกินไปแล้วไอเดียที่สหายซูมอบให้กับโรงงานทอผ้าไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเราประหยัดทรัพยากรแต่ยังสร้างผลกำไรให้อีกด้วย ผู้อำนวยการโรงงานหยางเอ๋อชมซูม่านอินอยู่ข้างๆครั้งนี้เรื่องของเต๋อชางยิ่งกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของโรงงานทพ้าในการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐอีกด้วยเจ้าเฉียนพยักหน้าเห็นด้วยผู้อำนวยการโรงงานหยางคนนี้หาโอกาสเก่งจริงๆไม่ลืมที่จะโฆษณาโรงงานทพ้าของตัวเองเลยสักนิดสายสซูเรื่องนี้พวกท่านปรึกษากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ผู้อำนวยการเจ้าเฉียนพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะโจเตชางฝังลงดินไปได้พักหนึ่งแล้วการขุดศพขึ้นมาเผาอาจมีข้อกังวลบางประการหากเกิดเรื่องร้องเรียนขึ้นมาจะกลายเป็นความยุ่งยากใหญ่หลวงซูมานอินเหลือมองสองสามีภรยาโจเว่หมินโจเว่หมินนึกถึงนโยบายที่สํานักงานเขตเคยให้ไว้รวมถึงหนังสือสัญญาที่สูมานอินเซ็นไว้ก่อนหน้านี้จึงขยักหน้าแสดงค่าทีชัดเจนผู้อํานวยการเจ้าผู้อํานวยการโรงงานอย่างแม่เล็กของผมพูดถูกครั บ, รบการเผาศพเป็นแนวโน้มหลักของสังคมพวกเรายินดีปฏิบัติตามนโยบายครับ คนอื่นในครอบครัวเห็นด้วยไหมผู้อํานวยการเจ้ายังคงถามต่อได้ยินว่าคุณยังมีพี่สาวอีกคนครับพี่สาวผมโจเวยหงแต่งงานออกไปไกลหลายปีแล้วไม่ได้กลับบ้านมานานมากครับโจเวยหมินน็กถึงที่สาวของตนแล้วก็รู้สึกโกรธขึ้นมาพี่สาวแต่งงานออกไปได้สิบปีแล้วนอกจากปีแรกที่พาพี่เคยกลับมาเยี่ยมบ้านหลังจากนั้นก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเขาเคยเขียนจดหมายไปตามที่อยู่ที่พี่สาวทิ้งไว้แต่จดหมายกลับถูกตีคืนมาตลอด ผู้อำนวยการเจ้าวางใจเธอหนังสือสัญญานั้นฉันเป็นคนเซ็นเองหากมีใครคัดค้านก็ให้มาหาฉันได้เลยซูมานอินรู้ถึงความกังวลของเจ้าเฉียนจึงประกาศเจตนารมชัดเจนว่าเธอจะเป็นคนจัดการเองเจ้าเฉียนพยักหน้าไม่หยุดการคุยกับคนฉลาดช่วยประหยัดเวลาและแรงได้มากจริงๆ การย้ายสุสานครั้งนี้สำนักงานเขตจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทางครอบครัวไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแม้แต่หยวนเดียวหลังจากเผาล้อาอธิของสหายโจเตอชางจะเป็นคนแรกที่ได้บรรจุในสุสานสาธารณะพวกคุณเลือกตำแหน่งได้ตามใจชอบเลยครับผู้อํานวยการเจ้าเฉียนอธิบายถึงนโยบายที่ตกลงกันไว้นอกจากนี้เพื่อเป็นการยกย่องแบบอย่างที่ดีทางสำนักงานเขตและตัวอำเภอจึงตัดสินใจมอบเงินช่วยเหลือเป็นรางวัลจํานวน200รอยหยวนครับโจเว่หมิงไม่คาดคิดว่าหลังจากพ่อตายไปแล้วจะยังได้รับสวัสดิการเช่นนี้ สุนจิวหลิงที่อยู่ข้างๆแอบดึงแขนโจวเวยหมินแลกกระซิบเบาๆฉันบอกแล้วไงว่าเชื่อฟังแม่เล็กไม่มีผิดหรอกโจวเวยหมินเหลือบมองภรรยาแล้วตอบกลับเบาๆเธอน้าฉลาดที่สุดแล้วพอใจหรือยังซุนจิวหลิงชะงักเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่สามีชมว่าเธอฉลาดซูมานอินพยักหน้าเห็นด้วยขอบคุณสําหรับความห่วงใยของสํานักงานเขตนะคะผู้อํานวยการเจ้าละค่าสุสานฟรีครับฟรีทั้งหมดเจ้าเฉียนตอบอย่างรวดเร็วแต่เหมือนที่สหายซูเคยบอกไว้ ทางครอบครัวต้องให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ดีด้วยนะครับซูมานอินยิ้มบางๆก่อนจะหยิบปึกกระดาษออกมาจากกระเป๋าผู้อำนวยการเจ้าลองดูนี่นะคะนี่คือร่างบทความประชาสัมพันธ์และบทสําหรับถ่ายทําที่ฉันเขียนขึ้นมาค่ะฟางเชียนที่อยู่ข้างๆถึงกับตะลึงซูมานอินเขียนร่างบทความประชาสัมพันธ์และบทสําหรับถ่ายทําเป็นด้วยหรือผู้หญิงคนนี้มีความสามารถถึงเพียงนี้เชียวหรือ เจ้เฉียนเองก็ไม่อยากจะเชื่อสมาชิกครอบครัวพนักงานโรงงานท่อผ้าธรรมดาๆจะเขียนร่างบทความประชาสัมพันธ์และบทสำหรับถยายทมที่เป็นมืออาชีพออกมาได้อย่างไรทว่าเมื่อเขาได้อ่านร่างบทความนั้นดวงตาก็พันเป็นประกายขึ้นมาทันทีจำนวนการเขียนไหลลื่นเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลตั้งแต่ความรู้สึกส่วนตัวของคนธรรมดาไปจนถึงอุดมการณ์และความเชื่อตั้งแต่นโยบายของรัฐไปจนถึงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาทุกประเด็นถูกดูแลอย่างทั่วถึง เขาถึงกับจินตนาการได้เลยว่าหากบทความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปจะสร้างผลกระทบต่อสังคมได้มากเพียงใดสหายสซูบทความนี้คุณเขียนเองจริงๆหรือครับสูมานอินพยักษนาฝีมือยังจำกัดอยู่ข้ารบกวนผู้อำนวยการเจ้าและสหายจากแผนประชาสัมพันธ์ช่วยขัดกล่าวสำนวนให้ด้วยนะคะมีความสามารถแถมยังถ่อมตัวนี่มันบุคลากรชัน้นยอดชัดๆสายเสียซูคุณสนใจมาทางานที่สานักงานเขตไหมครับ ผู้อํานวยการโรงงานอย่างช ง, งักไปเข้าสัมผัสได้ทันทีว่าบทความนี้ต้องมีอะไรดีแน่ๆเขาจึงลุกขึ้นรับประดาษมาจากมือผู้อํานวยการเจ้าเพียงแค่กวาดสายตาดูครู่เดียวก็ถูกดึงดูดเข้าอย่างจังฟางเชียนเองก็ขยับเข้ามาดูและถูกบทความที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนี้สะกดไวเช่นกันเขาเงยหน้ามองสู่มา่านอินิเจยอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจโลกนี้มีผู้หญิงที่เก่งกาจขนาดนี้อยู่จริงๆหรือนี่ส่วนชิ้นเสี้ยวเย่าแอบหัวเราะในใจคราวนี้เพื่อนรักของเธอได้โชว์เหนืออีกแล้ว